วันนี้วันมาฆะมาฆะบูชาเมื่อวันมีพระให้วันศืกรหนึ่งมีพระบอกอุปชาหลวงพ่อไปเทศที่สนามหลวงพระเทศก่อนเทศก่อนวันงานนะหรือเขาจัดหลายวันที่สนามหลวงวันมาฆะบูชาก็ดีนะพระพุทธเจ้าสอนโอวาทปาติโมกโอวาทปฏติโมกไม่ได้มีแค่ว่า สัพพาปภาษากระนงังไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูบสัมปทาทำกุศลให้ถึงพร้อมจิตตา ป, ประโยชน์ท่านนังทำจิตให้ผ่องแผ้ววจริงมีมากกว่านั้นทนะ่านสอนตั้งแต่เบื้องต้นเลยท่านบอกขันติขันติขันติปรมังตะโปตีติขาขันติเป็นตบะอย่างยิ่งสอนเรื่องตะบะในสังคมอินเดียตอนนะั้น เขาบำเพ็ญตะบะกันวิธีบำเพ็ญตะบะก็ทรมานตัวเองพระเจ้าก็สอนวิธีบำเพ็ญตะบะแบบใหม่มีขันติอดทนอดกลัน้นต่อความชั่วทั้งหลายต่ออุปสรรคทั้งหลายสอนสำหรับนักเผยแพร่นะสอนให้รู้ว่าเป้าหมายนะต้องไปสู่นิพพานตัวที่สองนะแล้วก็สอนเรื่องความไม่เบียดเบียน ถ้าผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าบรรพชิตสมณะเลยนี่สําหรับนักเผยแผ่เป็นธรรมะของผู้เผยแผ่และมีขันติขันติเป็นเครื่องแผดเผาจิเลตเป้าหมายของการเผยแผ่พาคนไปนิพพานวิธีการไม่เบียดเบียนล้างผลาญ น, นี่นักเผยแผ่ต้องต้องอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเดินตามโอวาทปาติโมก หลังจากนั้นท่านก็สอนต่อไม่ให้ทำบาปทั้งปวงคนเราทำบาปได้หลายทางทางกายทางวาจาทางใจท่าก็ให้ทำกุศลให้ถึงพร้อมก็มีศีลสมาธิปัญญาศีลเนี่ยเป็นเครื่องทำลายการทำผิดทำบาปทางกายทางวาจาสมาธิเป็นเครื่องการทำทำลายความผิดความบาป ทางใจส่วนปัญญาไปทำลายอะไรปัญญาทำลายความเห็นผิดนี่ลึกซึ้งเข้าอีกนะถ้าทำลายความเห็นผิดได้จิตเขาองแผ้วงันธรรมะที่ท่านสอนนะประเนี๊งดงามยิ่งศึกษานะยิ่งภาวนาไปนะโอ้จับอกจับใจนะแต่เวลาเราภาวนาแล้วความรู้ความเข้าใจมันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมันจะประเนีตจะลึกซึ้งมากเลย แต่พอเราถอยออกจากสมาธิมาเรามาสมมุติบัญญัติขึ้นมาถ่ายทอดออกมาเป็นถ้อยคํานะมันจะตื้นๆมันจะไม่ลึกไม่ลึกซึ้งเหมือนตอนที่เรารู้ด้วยใจจริงๆ ง, งั้นเวลาภาวนานะภาวนาให้ถึงจิตถึงใจมันลึกซึ้งจริงๆในสิ่งที่พระเจ้าสอนเรานะโอ้ดีจริงๆสอนไม่ให้ทํา ผิดทําบาปทางกายทางวาจาทางใจสอนให้ทําความดีให้ถึงพร้อมก็มีศีลมีศีลแล้วไม่ผิดบาปทางกายทางวาจามีสมาธิไม่ทําผิดบาปทางใจสูงขึ้นไปอีกอันนึงมีปัญญาล้างความเห็นผิดตัวเนี้ทําให้ผ่องแพ้วพ้นจากกิเลสพ้นจากมลทินได้จริงๆถ้าขาดการเจริญปัญญาเนี่ยทายัางไงก็ไม่ผ่องแพ้ว แค่มีศีลมีสมาธิอพวกนี้มีมาก่อนพระพุทธศาสนาซะด้วยซ้าไปอย่างศีลห้านีนักปราชญ์ทั้งไหนท่านก็สอนกันสอนกันมานานเรื่องสมาธิเขาก็สอนกันมานานสิ่งที่เป็นความรู้เฉพาะในทางาศาสนาพุทธก็เรื่องการเจริญปัญญาแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าปฏิเสธศีลและสมาธินี่ท่านใจกว้าง ไม่ใช่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของท่านเป็นผู้ค้นพบแนละท่านไม่เอาไม่ใช่ท่านรู้จักเลือกเฟ้นอันไหนเป็นของดีนะท่านก็เอามาใช้อย่างพอเรามีศีลนะใจเราก็สงบง่ายตั้งมั่นง่ายก็ใจสงบใจตั้งมั่นแล้วอย่าอยู่เฉยๆให้มาเดินปัญญานะการเดินปัญญาต้องรู้ก่อนปัญญาคืออะไรปัญญาเป็นความรู้รวบยอด ปัญญาเป็นตัวความเข้าใจแล้วปัญญาอะไรที่จะทําให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆเป็นปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจของสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นตัวเราตัวเรามาแต่ไหนแต่ไรถ้ามีปัญญาแจ่มแจ้งนะก็เห็นว่าตัวเราไม่มีถ้าเห็นว่าตัวเราไม่มีนะในกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราไม่มีเราในกายในใจนี้ไม่มีเรานอกเหนือจากกายจากใจนี้ เห็นอย่างนี้ได้ได้ธรรมะเบื้องต้นรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนฐาวรนบัญญัติขึ้นมาเรียกว่าพระโสดาบันปัญญาถัดไปลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะจะเห็นนอกจากตัวตนไม่มีแล้วนะขันห้ามีอยู่นะแต่ขันห้าไม่ใช่ตัวตนพอปัญญาขั้นสูงนจะเห็นว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์ันห้าไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษ อย่างพระโสดาบันนะเห็นแล้วว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราแต่ยังรักยังหวงแหนอยู่คิดว่าขันห้าเนี่ยนำความสุขมาให้ได้เรามีกาย ม, มีกายก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายนี่เราก็มีโอกาสได้สัมผัสอารมณ์ที่ดีทางตาหูจมูกลิ้นกายก็คิดว่ามันนำความสุขมาให้ลืมไปว่ามันก็นำความทุกข์มาให้ได้เหมือนกันเพราะปัญญาเราไม่พอเราก็เห็นว่ามันเป็นสุขมันเป็นสุข หรืออย่างมากมีปัญญามากขึ้นก็เห็นว่ากายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนะยังสุขบ้างทุกข์บ้างก็ยังอยากให้มันสุขอยู่ยังชอบมันอยู่ไม่ปล่อยวางถ้าวันไดภาวนานะมีสติรู้ลงในกายมีจิต ท, ที่ตั้งมั่นก็เกิดปัญญานะเห็นเลยมันไม่มนะีไม่มีความสุขที่แท้ จ, จริงมีแต่ตัวทุกข์ล้วนๆเลย ทุกมากขึ้นมาเราก็เรียกว่าทุกพอทุกมันบางลงเราก็รู้สึกว่าสุขก็แค่นั้นเองพอนะเห็นอย่างนี้มันจะปล่อยวางความยึดถือกายได้ไม่ยึดถื อ, ถอทุกไปยึดทําไมภานะวนาต่อไปอีกนะจะเห็นความจริงจิตนี้ก็นําความทุกเป็นตัวทุกนะตัวมันพวกเรายังไม่เห็นว่าจิตเป็นตัวทุกเราเห็นว่าถ้าจิตสุขจิตสงบจิตดีแล้วก็มันมีความสุขนะถ้าจิตอยากจิตยึด จิตดินน้นรนทุรนทุรายจิตไม่สมปรารถนาเนี่ยถึงจะทุกข์นี่ปัญญาเรายัางไม่พอนะถ้าปัญญาพอเราจะเห็นตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์รวมความน่ากายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์นะขันห้านั่นแหละตัวทุกข์ล้วนๆเลยถ้าวันใดปัญญาเราเห็นว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์ล้วนๆใจจะปล่อยวางขันห้าโดยอัตโนมัติไม่ยึดถือขันห้านะมีความสุขล้วนๆในยคราวนี้พอพ้นจากตัวทุกข์มาได้ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หาความสุขนะนสอนวิธีให้พ้นจากทุกข์พ้นจากทุกข์คือพ้นจากอะไรพ้นจากทุกข์คือพ้นจากขันขันนั่นแหละตัวทุกขนะ์ถ้าเมื่อไรใจพ้นจากขันก็พ้นจากทุกข์นะใจจะพ้นจากขันได้ด้วยปัญญาเห็นจริงว่าขันเป็นทุกข์ปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยสมาธิใจตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะ คอยรู้ลงในกายในใจเนืองเนืองนี่เราค่อยๆฝึกของเราไปนะเดินไปทุกวีทุกวันนะสำรวจตัวเองไปองค์มรรคแปประการอันไหนของเรายังย่อหย่อนล้วก็พัฒนาขึ้นมาใครตู้จักมรรคมีองค์แปดบ้างเคยได้ยินไหมใครพูดออกมาได้ครบแดอันบ้าง ได้ไหมลองสำรวจใจดูซิได้ไหมเวนวามีมรรคอันเดียวไม่ได้น่ามีองค์อยู่องค์เดียวก็เดินไม่ได้จริงหรอกนะต้องครบแปดนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นตัวปัญญานะตัวปัญญาสิ่งที่เราต้องทำใช่ไหมศีล ส, สมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นตัวปัญญาสัมมาวาจาเห็นไหมนี่เรื่องศีลแล้วสัมมาคำมันตะ ไม่ทำบาปทางกายนะการกระทาก็คือการผิดศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนั่นเองสมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตอย่างสุจริตนะอย่างพระเนี่ยสุจริตของพระก็คือไปขอเขาไปขอแบบผู้ดีนะเดินไปเขาอยากให้เขาก็ให้เาไม่อยากให้ก็ไม่รบเรา้าขอแบบผู้ดีหน้าบางนะ นี่เป็นส่วนของศีลสมาวาจาสมากัมมันตะสมาอาชีวะส่วนที่เหลือเป็นส่วนของสมาธิวิธีฝึกจิตนะฝึกจิตไปเพื่ออะไรให้มีปัญญานั่นเองงั้นสิ่งที่เราพวกเราต้องฝึกขึ้นมามีอะไรบ้างมีความเพียรสมาวายะมะนะมีความเพียรมีสติมีสมาธิต้องมีอย่างนี้ เง้ยที่หลวงพ่อสอนจําที่จำใช้พวกเราสังเกตไหมจะวนเวียนอยู่ในเรื่องมีความเพียร น, นะมีสตินะมีสมาธินะแต่ก่อนอื่นต้องมีศีลนะงั้นเรารักษาศีลไว้รักษากายรักษาวาจาให้เรียบร้อยเลี้ยงชีวิตอย่างสะอาดนะจนไม่เป็นไรอย่าชั่วนะคนจนความจนไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจไม่ใช่สิ่งที่น่าดูถูกเหยียดหยามความชั่วต่างหากหน่ารังเกียจ นะนี่ค่านิยมในสังคมของเราทุกวันนี้มันตะแบงไปหมดแล้วเห็นว่าความรวยนะั่นน่ายกย่องสรรเสริญความดีเป็นเรื่องของคนโง่อะไยนมันไปกันใหญ่ละสังคมถึงได้ร้อนเต็มทีแล้วพวกเราจะยากดีมีจนไม่สำคัญนะสำคัญเราต้องดีนี่หลวงพ่อสอนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อส่วนใหญ่นะ มีคนวิเคราะห์แล้วล่าสุดหลงพ่อภัยสารวิสาโรก็วิเคราะห์นะลูกศิษย์ของหลวงพ่อส่วนใหญ่เป็นคนชั้นกลางพวกมนุษย์เงินเดือนนะแต่บางคนก็จนลงไปกว่านั้นหาเช้ากินค่ำอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็มีไนะยทรงไฮโซหลวงพ่อไม่ค่อยสนหรอกนะไม่เคยเอาเอาใจนะมาก็นั่งเสือเท่าคนอื่น น, นั่นเองอยากส่งกันบ้านก็ยกมือเหมือนคนอื่น น, นั่นเองเท่าเท่ากันนะ พวกคนร่ําคนรวยคนโด่งคนดังท น, น, นหลวงพ่อไม่ค่ยได้หรอกีนคนส่วนใหญ่ที่มาเรียนกับหลวงพ่อที่พวกมนุษย์เงินเดือน่ะชนเดือนบ้างไม่ชนเดือนบ้างนะใช่ไหมนะงั้นมาเรียนที่นี่ไม่มีเรื่องไรนะไม่มีเรื่องไรงั้นเราไม่ต้องกลุ้มใจ่าจะถูกรีดถูกไถนะสิ่งที่หลวงพ่อพยายามสอนพวกเรานะมีศีลนะดํารงชีวิตอย่างสะอาดนะไม่โกงเขานะ สุดเฉลตจริงๆที่ชีวิตเราไม่ต้องอายฟ้าอายดินหนละังจากนั้นเรามาฝึกปฏิบัติธรรมนะสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะสังเกตไหมจะย้าทำางไงให้มีสติทำงไงให้เกิดสัมมาสมาธนะิแล้วก็มีสติเป็นมีสัมมาสมาธิแล้วให้มีความเพียรเนืองเนืองนะนี่มันคือองค์ประกอบในองค์มรรคที่สำคัญนะนะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะี่คือสิ่งที่เราต้องพัฒนาขึ้นมาถ้าเราพัฒนาสามสิ่งนี้ขึ้นมาได้นะโดยมีศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนะเป็นฐานรองรับนะเรามีความเพียรมีสตินะมีจิต ท, ที่ตั้งมั่นในการรู้รูปธรรมนามธรรมในที่สุดปัญญาจะเกิดปัญญาจะเกิดนะจะเห็นความจริง ของรูปประธรรมนามธรรมถ้าปัญญาเกิดเมื่อไหรใจเราผ่องแผ้วใจเราจะพ้นจากความทุกข์ได้นะพ้นจริงๆริพ้นแน่นอนเลยทดสอบได้ด้วยตนเองเช่นเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมากระทันหันอยู่ๆไปตรวจร่างกายเจอว่าเป็นมะเร็งหมอบอกว่าตรวจแล้วเป็นมะเร็งก็เป็นก็เป็นวะยังดีวันนี้ยังไม่ตาย วันนี้มีชีวิตเหลื อ, อยังได้ภาวนานี่จะรู้สึกอย่างนี้นะหรืออย่างหลวงพ่อก็มีบททดสอบนะมีคนด่ามาเป็นปีหลวงพ่อยังมีความสุขอยู่เลยแต่มานึกนึกดูใครมันจะด่าได้ทุกวันมันไม่เมื่อยเฉลียว <c oughs> ด่าคนอื่นนะจิตเป็นอกุศลนะทำไมจะปล่อยชีวิตให้ล่วงพ้นไปพร้อมๆกับอกุศลเนี่ยเป็นปีๆ ทำไมจะต้องปล่อยชีวิตให้จมอยู่กับอกุศลเป็นปีๆนะเที่ยวด่าคนอื่นเขาได้อะไรขึ้นมาได้อักุศลขึ้นมาเห็นไหมได้โทสะได้อะไรขึ้นมาวิบากที่จะเกิดขึ้นก็มีอีกนะเนี่ยเขาคงเริ่มมีปัญญาแล้วว่าด่าแล้วเมื่อยนี่ปัญญาขั้นต้นด่าแล้วเมื่อ <c> ย <oughs> ปัญญาขั้นสูงขั้นกลางขึ้นไปนะก็เห็นว่าโอดา่าแล้วกิเลสเกิดนี่ ถ้ามีปัญญาชั้นสูงก็รู้ว่าด่าแล้วยังมีวิบากอีกนั้นโลกนี้ไม่เที่ยงหรอกนะโลกนี้ไม่เที่ยงถูกด่าก็ไม่เที่ยงถูกชมก็ไม่เที่ยงเป็นเรื่องธรรมชาติเราวัดใจของเราได้เลยในเวลาที่ชีวิตมีปัญหาเนี่ยการปฏิบัติของเราเนี่ย ไ, ได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำหรือยังเวลาปัญหาเกิดขึ้นเราทุกข์ไหมถ้าเรายังมีความสุขเบิกบานแจม่มใส ร่างกายก็ปลกกก็เปรี้ยแต่จิตใจก็เบิกบานอยู่นะ อ, อย่างนี้แสดงว่าเออเราภาวนาใช้ได้แล้วพอใช้ไดนะ้นี่เราค่อยภาวนาของเราทุกวันนะมีสติระลึกรู้รูป ร, ร, รู้นามรู้กายรู้ใจนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่หลงไปไม่ไหลไปนะจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นกลางๆงไม่ไหลเข้าข้างในไม่ไหลไปข้างนอกนะ รู้อารมณ์ใดๆก็ไม่ไหลตามอารมณ์ไปแต่ตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าเห็นอารมณ์อยู่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าเห็นนะไม่มีปัญญา จ, จริงหรอกพวกเราเคยได้ยินคําว่าสักว่าสักว่าไหมสักว่ารู้สักว่าเห็นอะไรเงี้ยเราได้ยินนะแต่เราทําให้ได้หรอกทําไม่ไดไ้เห็นแล้วยินดียินร้ายเสมอตอนนี้ยังยิงยนดียินร้ายเพราะปัญญายัางไม่พอค่อยภาวนาตามรู้ตามดูทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจวันหนึ่งปัญญามันพอ มันเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจเป็นของชั่วคราวหมดเลยสุขทุกดีชั่วนี้ชั่วคราวไปหมดเลยถ้าเห็นอย่างนี้ใจมันจะเป็นกลางนะจะเป็นกลางสักว่ารู้ว่าเห็นโดยอัตโนมัติไม่ต้องประคองไม่ต้องรักษาเลยนะถ้าเมื่อไรใจเราเป็นกลางอย่างแท้จริงนะใจตั้งมั่นไม่ไหลไปไม่หลงไปนะปัญญาจะเกิดแต่ถ้าไหลไปนะปัญญาไม่เกิดเช่นรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจปัญญาจะไม่เกิด แต่ถ้าจิตตั้งมั่นนะสติระลึกรู้เห็นรูปที่หายใจอยู่เห็นร่างกายหายใจอยู่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมันจะเห็นในฉับพลันเลยว่าร่างกายที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นปัญญาเกิดเลยปัญญาเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์เห็นความไม่มีตัวมีตนเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ผ่านไปเห็นว่าทุกอย่างทนอยู่ในภาวะใดหนึ่งไม่ได้นี่เรียกปัญญาเนะ่ยงั้นาอะไร จิตเราตั้งมั่นนะเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่สติระลึกรู้ไปเห็นร่างกายหายใจอยู่โดยจิตตั้งมั่นสบายๆไม่บังคับไวนะ้มันจะเห็นในฉับพลันนั้นเลยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราตัวที่หายใจอยู่เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุคล้ายๆถุงใบหนึ่งเป็นถุงหนังนะเดี๋ยวก็โป่งเดี๋ยวก็แฟบเดี๋ยวก็โป่งเดี๋ยวก็แฟบไปเรืนะ่อยมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออก น, ะนี่คนโบราณท่านเปรียบดีนะ พระโมคคลลานี่ท่านเคยพูดว่าร่างกายเหมือนถุงหนังนะมีรูรั่วนะร่างกายนี้เหมือนถุงหนังท่านชมสาวอะ่ะท่านชมสาวร่างกายของน้องหญิงนี่เหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆเก้ารูมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโศโรครกไหลออกเป็นนิดทุกรูนั้นมีแต่ของโศโครคไหลออกเป็นนิดอีโนฟังหื้อใจ ลลจำไม่ได้ว่าลงท้ายยังไงมันรู้บวชหรือเปล่านะเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> <c oughs> ถ้าเรามีปัญญาพอนะนจะเห็นเป็นแค่ถุงหนังก็เพิ่มไปก็เพิ่มมานะไม่มีตัวเราที่แท้จริงหรอกไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษนะนเห็นไปเรื่อยนะใจมันรู้ขึ้นมาใจมันวางไม่ใช่ของดีแล้วใครจะไปยึดล่ะเป็นของโโครโกเหมือนถือถุงใส่อุจจะระนะ ถงใส่อุจจาระนะไปไหนก็หิ้วไปด้วยความภูมิใจเวลานอนก็มาแนบแก้มเนี่ย <No. S 1> ไหวไหะไม่ไหวใช่ไหมต้องเอาไปโยนทิ้ง <No. S 1> เนี่ยถ้าปัญญามันพรเราเห็นเลยกายนี่ก็ไม่ใช่ของดีของวิเศษนะ <No. S 1> เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่สะอาดก็เพิ่มเข้ากระเพิ่มออกนะเป็นวัตถุธาตุไหลเข้าไหลออกไม่ใช่ตัวตนนะ ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของน่ารักไม่ใช่ของดีของวิเศษนี่เพราะมีสตินะระลึกรู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยปัญญามันเกิดเห็นอย่างนี้มันวางไปเองนะมนไม่ยึดถือกายไปเองเวลาสติไประลึกรู้จิตนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนะรู้ไปเรื่อยก็จะเห็นอย่างเดียวกันจิตเองก็เกิดดับสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเช่นความสุขความทุกข์ก็เกิดแล้วก็ดับนะ ความเฉยๆ เ, ฉย เ, ฉยเกิดแล้วก็ดับกูศนอกูศนเกิดแล้วก็ดับนะพอเห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกไม่รู้เลยอุตสาหภาคเพียนภาวนาทําความสงบก็ความสงบก็ดับได้อีกอุตสาหภาคเพียนนะให้จิตเกิดปีติขึ้นมาหล่อเลี้ยงแช่มชื่นปีติก็ยังดับได้อีกอุตสาหภาคเพียนภาวนาหรือทําคุณงามความดีจิตมีความสุขขึ้นมาความสุขอยู่ชั่วคราวก็ดับได้อีกนะ ฝึกจิตให้อุเบกขาเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาอะไรเลยอะไรอะไรก็ไม่เอาอะไรอะไรก็ไม่เอานะเดี๋ยวมันก็เอาอีกนะนี่ปัญญามันพอนะมีเห็นได้ว่าจิตนี้เป็นของแปรปรวนเป็นของกลับกรอกเป็นของไม่เที่ยงนะไม่น่ายึดถือเลยมีแต่ภาระนะหาทุกมาใส่ตัวเองตลอดเวลาเหมือนเลี้ยงอันธพาลไว้ในบ้านนะชอบวิ่งออกจากบ้านไปหาอะไรต่ออะไรเข้าบ้านมานะอย่างน้อยก็ไปขนขยะเข้าบ้านนะ จิตนี้เหมือนกันนะแส่สายออกข้างนอกตลอดเลยไปหาของสกปรกมาใส่ตัวเองมาแผดเผา ต, ตัวเองให้ร้อนตลอดเวลานี่ปัญญามันพอนะโอ้จิตนี้มันตัวทุกนี่หว่าไม่เห็นตัวดีตัววิเศษเลยมันจะคืนจิตให้โลกตัวนี้ฟังยากมากนะต้องภาวนาเอานึกไม่ออกมันจะคืนได้ไงเมื่อจิตเป็นคนรู้นี่ไม่คืนตัวรู้แล้วจะเหลืออะไรก็เหลืออะไรสิ้นโลกก็เหลือธรรม สิ้นโลกก็เหลือธรรมนั่นเลกงปูเทศสอนดีนะสิ้นโลกเหลือธรรมท่านเขียนหนังสือมาเล่มสุดท้ายชื่อสิ้นโลกเหลือธรรมก็เรื่องศีลสมาธิปัญญานี่เองเป็นเครื่องขัดเกลาไปจนกระทั่งสิ้นโลกปลอยวังความยึดในใกายในใจนั่นเองสิ้นโลกเราก็เหลือธรรมะไม่ใช่ไม่เหลืออะไรเลยนะสิ้นโลกเราก็ไม่เหลืออะไรเลยฟังแล้วห่อเหี่ยวสิ้นโลกเราเหลือธรรมะ ท่านเขียนเสร็จแล้วท่านก็รู้สึกยังไม่ถูกใจท่านเลยเขียนอีกเล่มหนึ่งสิ้นโลกเหลือธรรมเวอร์ชั่นสอง่มีสองเวอร์ชันนะทีแรกท่านจะปรับนิดหน่อยปรับแล้วมันมันไปอีกอย่างหนึ่งเลยท่านบอกเออมันก็ดีทั้งคู่นะก็เลยพิมพ์ทั้งคู่เลยลงความเล่าสิ้นโลกเหลือธรรมท่านเขียนบันทึกไวนะ้นะโลวงปเทศบันทึกไว้แล้วก็ามาพิมพ์ในหนังสืองานศพตอนที่ท่านยังอยู่เขาไม่พิมพ์หรอกนะ เขียนไว้บอกว่าท่านเนี่ยมีความทุกข์มากท่านเห็นความทุกข์มามากนะท่านคงจะไม่คิดจะไปเกิดอีกแล้วละเพราะว่าท่านเห็นทุกข์แจ่มแจ้งแนละ้วนี่ท่านเขียนธรรมนองนี้นะโอ้ฟังแล้วชื่นอกชื่นใจนะครูบาอาจารย์เห็นความทุกข์ท่านน่ารักหลวงพ่อเทศนะใจดีน่ารักมากเลยตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่คนชอบไปขอเส้นเกศาท่านชอบไปขอท่านไม่ให้ ให้พระเก็บหมดเลยไม่ให้คนก็ไปรองทุกท่านบอกท่านอาจารย์เจ้าค้าเวลาท่านอาจารย์มรณาภาพเนี่ยพระราชทานเพลิงศพเนี่ยเขาคงเก็บพระธาตุท่านอาจารย์หมดอะพวกเราคนธรรมดาเดินดินเนี่ยไม่มีโอกาสได้หรอกท่านบอกเจ้าคอยไปเก็บเอาตามยอดหญ้าเด้อฟังแล้วหลวงปูดบอกปริศนาธรรมะอะไรสักอย่าง มีอย่างเลยให้ไปเก็บพระธาตุของท่านตามยอดยา่าอาเงี้ยไม่เข้าใจหรอกท่านบอกไว้เป็นปีๆนะจําได้ไมพีม่วัยมให้ไปเก็บพระธาตุาตามยอดญ้าตอนเผาศพท่านนะเขาเผาในโขดเผาเผาไปแล้วตอนดึกๆอ่ะเหลือแต่ลูกศิษย์ที่ประเภทรักจริงลูกศิษย์ประเภทรักไม่จริงเนี่ยกลับไปหมดแล้วพวกที่รักจริงก็ล้อมอยู่รอบเมน้น ในเมนเนี่ยนะก็ทำําเมนแล้วก็ปู่ย่าไว้รอบๆพอตกดึกนะพระธาตุท่านะระเบิดออกมากระจายออกมาตามยอดย่านะเก็บจนยอดย่าจริงๆมีหลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่หรอกเลยไม่ได้เก็บนะไม่ต้องคิดมาขอเราก็กลับเหมือนกันนะนี่คือบาอาจารย์เมตตาเยอะน่ารัก จริงท่านบอกเลยท่านเห็นทุกข์ท่านเห็นทุกข์นนะพวกเราอย่า ก, กลัวทุกข์นะเราอย่า ก, กลัวทุกข์กลัวความชั่วฮนะ ก, กลัวความชั่วนะอย่ากลัวทุกข์อย่า ก, กลัวปัญหาในชีวิตนะปัญหาในชีวิตเกิดตลอดเวลาพอมีปัญหาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เป็นราวนามไม่เป็นใจมันจะทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นก็อย่า ก, กลัวมันเรียนรู้มัน พ้นทุกได้ก็เพราะรู้ทุกแจ่มแจ้งพระเจ้าถึงสอนหบอกทุกมาให้รู้สมุทัยคือความอยากนะให้ละของเราปรับข้างนะเราอยากละทุกกระโผ่กับหางเลยเราอยากใช่ไหมอยากอะไรอยากละทุกท่านให้รู้ทุกแต่เราจะละทุกเนี่กระโผ่กับหางนะนั่นเราไม่พ้นหรอกนั้นถ้าเราอยากพ้นทุกจริงๆนะเรียนรู้ทุกไป ทุกอยู่ที่กายเรียนรู้อยู่ที่กายทุกอยู่ที่ใจเรียนรู้อยู่ที่ใจเรียนรู้ลงไปเรื่อยนะจนปัญญามันเกิดนะมันค่อยพ้นเป็นลำดับลาดับไปต้องเห็นทุกนะถึงจะเห็นธรรมยิ่งภาวนาจนถึงขั้นสูงขึ้นไปนะทุกปางตายทุกปางตายครูบาอาจารย์ท่านเล่าไม่ใช่หลวงพ่อเล่านะบวกบางองค์นะท่านภาวนาท่านสลบไปทั้งสามรอบเนะี่ย ท่านทุกข์ขนาดนี้แล้วก็มีเกล็ดนิทานต่อบอกพอครูบาจารย์เล่าอย่างนี้ก็มีคนคิดต่อมีพระคิดต่อเพราะงั้นไม่ภาวนาดีกว่าภาวนาแล้วทุกข์ถึงขนาดสลบได้เรามีชีวิตอยู่นี้ยังไม่เคยทุกข์ถึงสลบเลยนะความจริงมันเป็นองค์องค์นะไม่ใช่ว่าทุกองหรอกองค์ที่ท่านทรงสมาธิมากๆเนี่ยท่านจะพ้นด้วการเห็นทุกขนะ์ทุกข์มากทําไมท่านงเห็นทุกข์มากๆ ถ้าจิตที่ทรงสมาธิทรงฌานอยู่มีความสุขถ้าไม่เห็นทุกข์นะไม่สามารถทิ้งปลอมมโลกได้เพราะฉะนั้นจิตจะแสดงทุกข์ให้ดูแสนสาหัสเลยนะทุกข์ทุทุ ก, ท ก, ทกโดยตัวของมันเองนะไม่ใช่มีเรื่องทําให้ทุกข์ส่วนครูบาอาจารย์องค์ไหนนะไม่ได้ติดสมาธิมากไม่ได้ทรงฌานมากท่า น, นเดินปัญญามากเลยท่านแค่เห็นว่าเออจิตมันเป็นอนัตตาท่านเห็นเท่านี้ท่านยอมวางแล้วแต่ละองค์ไม่เหมือนกันหรอก พวกเราอย่ากลัวนะให้ภาวนาไปเดี๋ยวพอได้ยินหลวงพ่อบอกว่าวันข้างหน้าจะเจอทุกข์มาหาศาลเราจะกลัวซะก่อนอย่ากลัวนะมันคล้ายๆการทำคลอดนะทาคลอดต้องเจ็บก่อนนะพอคลอดออกมาร้องแว้แว้เดี๋ยวมันก็หัวเราะแล้วนะนั้นอย่าไปกลัวความทุกข์ความทุกข์นี่แหละเป็นเครื่องบริหารจิต้ความทุกข์เกิดที่กายรู้ลงไปรู้ด้วยใจที่เป็นกลางอย่าเกลียดมัน ความทุกเกิดที่จิตใจรู้ลงไปนะรู้ด้วยความเป็นกลางอย่าไปเกลียดมันอย่าเกลียดความทุกข์นะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์ไม่ได้สอนให้เกลียดไม่ได้สอนให้กลัวไม่ได้สอนให้หนีคนในโลกหนีความทุกข์กันทุกคนเลยนะหนีความทุกข์ตลอดเวลาถามแล้วใครหนีได้บ้างไม่มีใครหนีได้สักคนเดียวนะไปไหนความทุกข์ก็ตามไปนะเพราะความทุกข์คือกายความทุกข์คือใจนะ ความทุกข์เนื่องด้วยกายความทุกข์เนื่องด้วยใจนี่มีหลายระดับนะความทุกข์ชั้นสุดยอดเลยก็คือกายกับใจนักก่นแหละรูปกับนามนั่นแหละตัวทุกข์ความทุกข์ที่รองลงมาหน่อยก็เนื่องด้วยกายด้วยใจความทุกข์ที่อาศัยกายอาศัยใจเกิดไปไหนก็เอากายเอาใจไปเพราะฉะนั้นไปไหนก็เอาทุกข์ไปด้วยหนีขึ้นพรหมโลกก็เอากายเอาใจไปนะบางพรหมโลกทิ้งร่างกายเหลือแต่ใจก็ยังทุกข์ได้อีกบางพรหมโลกทิ้งใจไปเหลือแต่ร่างกาย ก็ยังทุกได้อีกพระพรหมมีสามจำพวกนะพระพระพรหมเนี่ยมีสามสปีชีสปีชีหนึ่งมีห้าขันมีสปีชีหนึ่งมีสี่ขันสปีชีเนี่ยมีขันขันเดียวที่มีสี่ขันเรียกว่าอรูปประพรหมมีแต่อรูปไม่มีร่างกายที่มีขันเดียวก็คือมีแต่ร่างกายไม่มีจิตคือพรหมลูกฟักส่วนพรหมที่เหลือเนี่ยเป็นพรหมที่มีขัน5เหมือนอย่างพวกเรามีนี่แหละ แต่ขันเข้าละเอียดนะขันเข้าประนีตกว่าเราโตใหญ่โตไม่ได้พูดเองนะในพระไตรปิฎกมีหนะพรมนี่ตัวใหญ่นะมียักษ์ตัวหนึ่งชื่ออาราวากายักษนะ์คิดว่าตัวโตมากก็นะจะมาแกล้งพระพุทธเจ้านะรู้สึกพระพุทธเจ้าตัวนี้เดียวเนี่ยท้าเวสุวรรณซึ่งเป็นหัวหน้าของยักษ์เนี่ยนะยังมาไหว้พระพุทธเจ้าเลยชวนอาราวะกายักษ์มาไหว้ด้วยแกไม่อยากมาคือบอ มาไหว้มนุษย์ตัวเล็กนิดเดียวเหมือนแมงวันนะก้มหน้าพูดด้วยเมื่อยขอนี่ว่าอย่างนี้นะในสุดโดนอีท่าไหนก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะมาพระพุทธเจ้าท่านก็ขยายตัวของท่านใครเคยเห็นพระนอนมัน้งพระนอนเขาําทำใหญ่ๆรู้สึกไหมพระนอนไม่ค่อยทำองค์เล็กๆน้อยๆเหมือนพระนั่งทำใหญ่ยาวเป็นเส้นๆเลยจริงๆแล้วนอนลืมตาด้วยเห็นไหมเคเรียกปางทรมานอรารวักกยัก ไม่ใช่พระนอนหลับท่านทำตัวใหญ่กว่ายักษ์ยักษ์มาเห็นแล้วอุ๊ยใหญ่กว่าเราอีกนี่มาหน้าตาก็ลดลงไปยักษ์นี่มาหน้าตามากเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็เอายักษ์ใส่มือไปบอกจะพาไปเที่ยวนี่นนท่านอันตรธานจากโลกมนุษย์นะไปนในพรหมโลกแล้วก็ไปยื่นให้พวกพรหมดูพรพรหมก็มาทูลถามพระองค์เอาตัวอะไรมาเล็กเลย <laughs> พาตัวอะไรมาเนี่ยเล็กๆน่าเกลียดน่าเกลียดเล็กๆแกเลยฝ่อเลยรู้สึกเออใหญ่กว่ากูก็มีอีกไว้อันนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอยู่ในตำราแต่ที่แน่ๆก็คือเป็นเรื่องของกิเลสคือมาณัตตานะชื่อของกิเลสไปสร้างภาพเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมา แล้วภาวนานะภาวนาลงไปดูในกายดูในใจไม่ใช่ของดีของวิเศษเหรอกมาหน้าตาก็หายไปกิเลสอะไรๆก็หายหมดเลยพอไม่ยึดตัวทุกข์ซะตัวเดียวก็พ้นไปมีแต่ความสุขแล้วครนี้นะความสุขที่เกิดจากการพ้นจากทุกข์นั้นเวลาสอนท่านสอนมุ่งมาที่พ้นทุกข์ดับทุกข์เนี่ยแล้วความสุขเป็นผลพลอยได้ถ้าสอนมุ่งไปหาความสุขนะมันจะแสวงหาไม่เลิกหรอกมันจะเอากายเอาใจไปหาความสุขไม่พ้นหรอก สรุปแล้ววันมาฆะน้านะละบาปทั้งปวงนะทำกุศลให้ถึงพร้อมฝึกจิตเรานะ้าให้ผ่องแผ้วด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาจนวิมุตต์มันเกิดน้าถึงจะผ่องแผ้วจริงนะไปทำเอานะ้าบอกให้แล้วเชิญทานข้าวนิมนต์ครับ